แต่ว่าผู้ที่ไม่เจริญสติเราจะไม่ค่อยสัมผัสได้เพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเราจเจริญสติสติมาไว้ที่กายเราก็สัมผัสไปด้วยทันทีรู้ที่กายกายเราก็มมเหมือนกัน โดยเฉพาะรูปแบบอริบทที่เราสร้างเรียกว่าบัพพะกายบัพพะสัมชัญยบัพพะจิตบัพพะคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายของจิตเรียกว่าบัพพะทั้งรู้สึกทั้งระลึกได้ไปพร้อมๆกันก็ได้หลักใต้ฐานความรู้ความกกสัมผัสได้ ความหลงก็สัมผัสได้แต่ว่าความหลงเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ให้มันถึงอกถึงใจเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะมันก็มันจะเก่งตรงนั้นแหละถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่มีประสบการณ์ไม่ไม่บทเรียน ประสบการณ์ที่เราได้จากการศึกษาปฏิบัติก็ทําให้เราเก่งกล้าขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราศึกษาวิชาการต่างๆผู้ทําทงานมีประสบการณ์ก็อชำเนิยชำนาญในการประสบการณ์ที่ทํางานแต่ผู้ที่ไม่ทํางานก็ไม่มีประสบการณ์ผู้ทํางานก็ต้องมีผิดมีถูก ผู้ปฏิบัติก็มีผิดมีถูกเหมือนกันความผิดเพื่อให้เกิดความถูกทุกเรื่องไปโดยเพ่าะการปฏิบัติมันเป็นของที่เปลี่ยนได้แจได้ไม่เหมือนการทําอย่างอื่นการทำบางอย่างถ้าเสียแล้วก็ทิ้งเหมือน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 ไม่จนถ้าเรามีสติเราจึงเพียรพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวสังสตินี้ให้มีให้มากมียังไม่มากก็ใช่ไม่พอไม่พอใช่ครึ่งรู้ครึ่งหลงบางทีหลงมากกว่ารู้ด้วยซ้ำไปเหมือนเราไม่เหมือนเราไม่มีเงินมมทอง พไม่สามารถที่จะชื่ออะไรมาอุปโภคบริโภคได้ความยากละบากอาจจะมากกว่าความสะดวกอันนั้นเป็นทรัพ์ภายนอกทรัพ์ภายนอกก็ต้องหาโดยความาเพียรฉันทะวิริยะกิตตมีมังสาจึงจะมั่งมีจึงจะสำเร็จทรัพภายในก็ต้องมีความเพียรมีศรัทธา มีสติมีความอดทนมีความใส่ใจมีเกตนามีการประกอบสติมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบไม่ใช่คิดเอาท่องเอาเอาเหตุเอาผลเอาคงจะเป็นอย่างนั่นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คําว่าคงจะเป็นอย่างนั่นอย่างนี้ไม่ใช่เด็ดขาดต้องเป็นปัจจังพบเห็นเราเอง รู้ก็รู้จริงๆถ้าหลงก็หลงลก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เราก็ความหลงก็หมดไปจริงๆแล้วก็ทำได้จริงๆเราก็ทาได้จริงๆมันจะหลงอะไรมันก็แสดงออกมาให้เราเห็นอยู่ไม่ลับไม่ลี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตของเรามันโง่ๆเห็นความหลงมันโง่ๆ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 ขันขันเดียวคือภาวะที่มันคิดขึ้นมาเกิดจากความคิดอะไรมันเกิดจากความหลงมันจึงคิดขึ้นมามันเกิดเป็นภกเป็นชาติได้ความหลงความคิดตัวเนี้ยมันเป็นขันขันเดียวที่มันท่องเที่ยวไปมันคิดเรื่องโน่นมันคิดเรื่องนี้ก็เป็นไปตามภกตามภูมิของความคิดของความหลงอ่า ขันสีขันกับพวกภพภูมิต่างๆเช่นเทวดาหรืออินพรมหรือพวกที่ดำดับตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบเป็นไม่ชอบนะ มันเกิดเป็นขันสี่ขันเกิดดับเกิดดับตามภพตามภูมิต่างๆไม่มีรูปเกิดแล้วไม่ต้องเลี่ยงดูแล้วก็ตายไปก็ไม่เที่ยงซากเที่ยงศพเกิดดับเกิดดับเป็นภพเป็นชาติอะไรนี่นมันเกิดขันสี่ขันเพราะว่ารูปขันมันมีอยู่มันจึงมีขันสี่ขันที่มันขยัน วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพราอมีสติมันก็กําหนดควบคุมควบคุมขันที่มันจะเกิดขึ้นมาอย่างเราสวดเมื่อกี้นี่ว่าว่ายอ่อโอปปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ยึดมันในโลกยึดมันในเวทนายึดวันมันในสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นพอมีสติมันก็ลืออล้อถอ น, น, นลื้อถอนมีแต่ตัวรู้ตัวรู้เขาป่อยมันก็คลุมมันมปแต่ตัวรู้ตัวรู้เป็นพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานเห็นดูอยู่อะไรที่มันเกิดขึ้นมาดูอยู่เห็นอยู่อน่นีเห็นก็เห็นได้หลักได้ฐาน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 อาการที่เป็นของรูปมีมากมายความรลอนความหนาวความเหิวความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นกับกองรูปกองน้มก็คืออารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงความรักความชังวิตกกองวลเส้าหมองมันเป็นอาการของนามธรรมมันไม่ใช่ตัวใช่ตนบางทีเราไปเอาอาการเช่นนั้นว่าเป็นตัวเป็นตน ไปยึดเอาบางทีไปยึดเอากระทั่งความโกรธว่ากูโกรธกูโกรธระวังนะกูโกรธระวังนะถ้ากูได้โกรธตายกูก็ไม่ลืมไปยึดเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนเพราถูกความโกรธหลอกเสียผู้เสียคนกระทบกระเทือนไปร้ายๆ้อยอย่างที่แท้มันเป็นอาการของนามธรรมาไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ตัวใช่ตน ผู้มีสติก็เห็นแล้วว่าเนะี่ยเห็นาการกิบจ้อยไม่มีค่าไม่มีราคาแต่ผู้ไม่มีสติก็หมดเนื่อหมดตัวไปกับอาการนั้นแวบบเป็นภพเป็นชาติภพความโกรธก็ไปสู่อบายความหลงก็ไปสู่อบายความทุกข์ก็ไปสู่อบายความขี้ขลาดที้กลัวก็ไปสู่อบาย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 ก็จิตใจก็เล่าหลอนขี่ขาดขี้กลัวเผาหลนขวงไปทางขวางขวงเอาไว้ไม่ให้ผ่านไปทางไหนยึดเอาไว้ติดเอาไว้เนี่ยพอเรามาเห็นรูปเห็นนามแนี่มันก็ลืน่นถอดรูปมันแสดงให้เราเห็นนามแสดงให้เราเห็นแล้วก็ฉลาด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 ฝึกหัดไปฝึกขัดไปเรื่องของนามในไม่มีเลยคําว่าทุกขบัติทุก์กในนามไม่มีถ้าผู้มีสติพอนามในมันฝึกได้มันมั่นคงปฏิบัติได้ให้ผลได้รรดให้ยิ่งนะอาทิกิเตจะอาโยโคลมันเราสวดโอวาทพระปฏิโมกขารรู้จักทำกิจให้ยิ่ง จิตให้ยิ่งคือมันไม่ต่าไม่ต่าไม่มีอะไรมาปรุงมาแตง่งได้ที่ได้ที่อยู่ได้หลักมันมีที่อยู่มันมีที่อยู่ที่อยู่ของจิตไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่อยู่ของร่างกายเราฝึกไปเราสัมผัสดูมันก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไม่เปลี่ยนอะไรกับอะไร มีแต่สติแล้วแลวอยู่มีเรตจสติแล้วเลยอยู่เหมือนฌานสมบัติเวทยิทินีโลดนะมีแต่สติแล้วแลวอยู่มีแต่สติแล้วแลวอยู่ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้ากิจได้สัมผัสกับสติได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสมบัติของ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 ของมันใช้ได้มันจึงเป็นมันจึงสร้างขึ้นมาถ้าสิ่งไหนใช้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องสร้างไม่ว่าวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆชีวิตเราก็ใช้ได้เมื่อเราเห็นลูก ป, ประธรรมเห็นนามธรรมาก็เอาลูกเอานามไปทำความดีได้สำเร็จความดีที่เกิดจากลูก ป, ประธรรม มีมากสำเร็จเก่งๆแต่ความชั่วที่เกิดจากลูกประธรรมก็มีมากเหมือนกันทิพไายเก่งๆความดีที่เกิดจากนมามธรรมก็มีมากเก่งๆเอาไปทำไร่สำเร็จเก่งๆแต่ความไม่ดีความชั่วที่เกิดจากนมามธรรมก็เป็นโทษมหาศาลไปก่อนถึงก่อน กิจพาไปสำเร็จก็เพราะกิตมังเ็จึงมีสติเอาลูกอานามมาใช้ทำคุณงามความดีขดส่งขนส่งเป็นการขนส่งกิตเป็นการขนส่งชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นไปแล้วก็สำเร็จ สำเร็จ ด, ดึงกันไปขี้ให้ดูนะแต่ก่อนนี่เราเสียเปรียบลูกไปทำชั่วนามไปทำชั่วสามสิบปีป่าเถื่อนถ้าเป็นลูกก็เถื่อนถ้าไ ป, น, กก น, าป น, นามก็เถื่อนเคยพูดอยู่เส ม, มอว่าถ้าเป็นนามคือจิตใจเนี่ยมันคิดอะไรก็คิดได้นะเหมือนกับโสเพในกิจสมสน เป็นจิตสัมสนเอาหอบพิ้วไปไหนก็ได้ถ้าเรายังไม่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเหมือนเหมือนไม่มีเจ้าของกิตที่ไม่มีเจ้าของหรือกายคือใจหรือลูน้นาไม่มีเจ้าของเอาหอบพิ้วไปไหนก็ได้เมื่อเราฝึกในสติแล้วสติเนี่ย ไม่เป็นเจ้าของรูปเพ้าของนามที่เกิดใ น, นสงขึ้นจากการเจริญสติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นพลลองล่วงทำไมเกิดอำนาจเกิดความเป็นธรรม้องรู้สึกตัวนะ่ เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาหรือว่าพลังพลังงานที่ร่วมกันศนลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยสนับสนุนกันเรามาสติความโลภความโ ก, มโกมโรธความหลงกวามเป็นพลังลมเอาชีวิตของเราก็เถื่อนไปเลยเถื่อนในตัวเรายังไม่พ อ, ย, พอยังไม่พ้กระทบต่ออีกหลายๆอย่างกินเหล้าโซบูรี พิชาพยาบาทกันเป็นปัญหาก่ อ, อการทะเละวิวาทจนเกิดปัญหาต่อโลกทั้งโลกความโกรธของคนคนเดียวสองคนเกิดเป็นการก่อเวทนาศักรรมทิปหายมามากตัวมากแล้วเราจะไปสร้างลูกรเบเปิดไปเข็นไปฆ่ากันมันก็ยังไม่ถูก <c oughs> เราจะมาบอกกันเนี่ยว่าบอกความจริงมันเกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่รูปที่นามอยู่ที่ตัวหลงตัวรู้นะทำยังไงคนเราจึงจะมาศึกษาเรื่องนี้กันแล้วมันก็จบได้คนในโลกเนี่ยห้าหามืนพกว่าล้านคนนะถ้าทุกคนมีความรู้สึกตัวรัดนัดในมือเดียว เกิดความสงบรล่มเย็นทันทีถ้าไปเข็นไปฆ่ากันสร้างโลกระเบิดไปเที่ยงที่อภิการิฐานลูกหนึ่งสองยล้านบาทห้ารอยล้านบาทเจาะขอนจีดได้แปดสิบเมตรไปเข็นไปฆ่ากันสมองเหมือนกันปัญญาเหมือนกันปัญญามันไปทางนั่นเหมือนกันปัญญาพุทธะมันต้องเป็นจิตปัญญาลื่อถอนไม่ต้องไป ตามตามที่เหตุที่ผลแบบนั้นกลับมากลับมามองตัวเองมามองตัวเองวิสัยของบัณฑิตต้องมองตนไม่ใช่ไปมองมอันดืนแต่ทุกคนหันกลับมามองตน เ, เปลี่ยนร้เป็นดีที่รูปที่นามของเราใ น, ะนสติสมชัญญะมันได้หลักได้ฐาน อยู่ในกมือของเราชีวิตของเราอยู่ในกำมือของเราไม่ใช่ปล่อยปะแล้วเลยเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปแขวนไว้กับผู้กับคนไปแขวนไว้กับสิ่งกับของก็อกหักเสียอกเสียใจจิงมาเป็นชีวิตของเราร ว, วดลวอยู่ในกำมือลูกก็เห็นอยู่มันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับลูกกับนาำ เราก็เกี่ยวข้องถูกเชินเรามีสติเห็นกายเห็นกายก็ได้คำตอบว่ากายก็สักว่ากายกายมันเป็นรูก ป, ประธรรมไม่มีใครเป็นใหญ่มันได้ในกายมีแต่เกี่ยวข้องให้มันถูกต้องเหมือนพระรัฐบาลที่เป็นพระหันโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน ยอมเล็ดเที่ยงในสิ่งทั้งปวงโลกนี่บกคร่องอยู่เป็นนิดเป็นไม่รู้จะอิม่มเป็นาธาตุของความอยากกายรูปนี่เราเจี่ยวข้องกับบันให้ถูกก็อยู่ให้เราใช้ถ้าเจี่ยวข้องไม่ถูกก็เป็นโทษต่อเราก็าโกรธบ่อยๆทุกข์บ่อยๆเครียดบ่อยๆก็เป็นโลกกับพ่ออาหารเกิดโรคแทรกซ้อนอภัยมาก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 ไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่ลึกลับคำว่าลึกลับเนี่ยมันคือไม่มีใครศึกษาได้คำว่าลึกซึ่งเนี่ยเห็นได้ทุกคนเราจะทำต้องเป็นลึกลึกซึ่งสัมผัสได้จนอืมเห็นความหลงกับอืมเห็นความรู้อือสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความห ล, ลงอ่ามันเกิดร้อนเกิดหนาวมันเกิดเหนียวเกิดปวดกัอืมสัมผัส มันเป็นการบันเทิงบันเทิงในธรรมไม่เอาอืมเป็นการบันเทิงลู่ลึกซึ้งไม่ใช่วแบบ่าโอ้ยไม่ไหวไม่ใช่แบบนั้นไม่ไหวไม่ไหวไม่ม่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่จเจริญสติแย่แย่ก็ไม่ไม่มีมแต่อืมดํามร้อนความหิวอืมขอบคนความร้อนขอบคนความหิว จะยงเกิดมันเจ็บขอบคุณความเจ็บนะลูกมันเจ็บไม่เป็นมันก็เป็นอันตรายแต่มันร้อนไม่เป็นก็เป็นอันตรายถ้ามันหนาวไม่เป็นก็เป็นอันตรายถ้ามันเหนียวไม่เป็นก็เป็นอันตรายไม่ใช่ออกมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ออมาเป็นปัญญาขอบคุณเขาที่เขาหิวแล้วเขาไม่หิวมันอยู่ไม่ได้มันตายมันจ็บหายแล้วเราจก หนูเขาลูจากอิม่มก็รู้จากขับถ่ายเอารูกเก็บลูกปวดใช้งานมากก็ปวดเย็นอาหารไม่ถูกก็ท้องเสียเขาก็ลูกจากขับรู้จักถ่ายรู้จักช่วยเราจะเกิดมีหมอมียกมียาขึ้นมาเพื่อช่วยลูกแล้วก็ช่วยเท่าไหรก็มาไหวทวนันน่ะสูบบุหรี่ก็เป็นโรคปอดกินเหล้าก็เป็นโรคตับเย็นอาหารที่ไม่ สะอาดก็เกิดเป็นโลกหลายๆายอย่างโลกที่เกิดจากใช่กายไม่เป็นใช่ชีวิตไม่เป็นก็ไม่มากอย่างโลกปงโลกแต่งโลกกิเลสตัณหากลายเป็นโรคเอดโลกอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีกมากมายเกิดขึ้นที่เราใช่ชีวิตไม่เป็นพระพุทธเจ้าจงลู้แก้งโลกโลกวิถเป็นผู้ลู้แก้งโลก กายอันควางสอกยาวานาคือมารู้ตรงนี้จงมารู้จักตัวเองคำนี่หมายว่าคนพบแจ้วได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกโปบบาทจดในเราอยากเขาปล่อยในดอกบัวมิมะเนอันเอกกุดเพื่อมนุษ์คนหามาให้ได้การตรสรู้หรือรู้เสี่ยงใดๆล้วนมาจากความรู้ในตัวสูนั่นแหละเอง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 มันเป็นการเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้เปลี่ยนได้อยมันหลงไม่หลงมันโกรธไม่โกรธหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกันหน้ามือกับหลังมือมันมีตรงกันข้ามเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแย่ก็ต้องมีไม่แย่เมื่อมีเก็บก็ต้องมีไม่เก็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายอะไรมันคือความเกิดอะไรมันคือความแจ่อะไรมันคือความเจ็บอะไรมันคือความตาย ความไม่เที่ยงก็มอบให้ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็มอบให้ใช่ความไม่ใช่ตัวตนความเป็นทุกข์ก็มอบให้ความเป็นทุกข์อย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเราสุขเราทุกข์ทุกข์บางอย่างกําหนดรูดโดยการรู้ทุกข์บางอย่างกําหนดรูดโดยการบันเทาทุกข์บางอย่างกําหนดรูดโดยการละเช่นความโกรธเนีบันเทาไม่ได้กูได้ด่ามันกูก็หายโกรธไม่ได้เด็ดขาด ความโกรธต้องละทันทีความโกรธต้องละทันทีทุกข์พอความร้อนต้องเข้าล่มอาบน้ำพัดลมเข้าห้องแอร์บรรเทาทุกข์พอความหิวต้องไปกินข้าวไปกินน้ำทุกข์พรเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ต้องพักผ่อนอย่ารีดตัวเราจนเกินไปทุกบางอย่างกำหนดรู้ฉันความไม่เที่ยงกำหนดรู้แล้วรู้แล้วความไม่เที่ยง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 ความโกรธมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิงๆความโกรธความโกรธมันเป็นทุกข์ควรหรือที่จะไปยืดเตาเมื่อเราเราสวดมนต์ธรรมวัดตอนเช้าเนี่ยเอาคําเทศนาของพระเจ้ามาสาธยายมีผู้บรรลุธรรมในเรื่องนี้เป็นส่วนมากเช่นอัญญากดทัฏยาเนี่ยก็ได้คําตอบลูบเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าขา สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่นั้นเป็นสุขจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์กพ่อเจ้าขาสิ่งไหนเป็นทุกควรอยู่หรือที่จะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ควรพระเจ้าขาก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปหลุดพ้นไปจนในที่สุดสําเร็จเป็นพระรหันเป็นพระสงฆ์รูปแปลกเกิดขึ้นในโลกก็พราเรื่องไห น, นเอวังพระพองรังสาวกเกเวเนติที่เราสวพดพระเจ้าท่าก็ทรง ส, สั่งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากรู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากจเจริญในแต่ลักเนี่ยพอเห็นรูปเห็นนามก็มัง ก, ก็เห็นเป้าเลยเป็นใจลักทันทีไอ้รูปเน่ยของรูปของนามมันตกอยู่ในสภาพของใจลักใจลักพาให้ถึงมรรคถึงผลเลยวางเป็นทิ้งเป็นไม่ไปยึดเอาบางทีเราเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เพราะความทุก เราเป็นทุกข์ภพความไม่ใช่ตัวตนพกาะเห็นร่างนี่ยโอ้ยเกลี้ยงเก่าเลยมีที่ทิ่งขยะเหมือนถังขยะหน้าบ้านอ่าถังขยะมีหน้าบ้านก็ไม่ไม่สปกปรกไม่กระชุยกระจายการปฏิบัติธรรมก็สรุปง่ายๆนะอ่าตัวรู้ตัวห ล, ลงอะไรที่มันเกิดขึ้นตัวรู้สึกตัวเข้าไปเจี่ยวข้องเข้าไปสัมผัส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 เีมใจวางใบหน้าหายใจลึกๆกระดิกเนี้วมือรู้สึกโตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนภาพพจ์ถ้าจะว่าเปลี่ยนภาพพจนตั้งตั้งใหม่ชีวิตที่ดีต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมันจึงใหม่แม้เราสร้างจังหวะบางทีมันเก่านะรีบทที่ใช้นานๆามันเก่าเป็นเครื่องลึกเครื่องลู่เครื่องหลง เดินนานๆก็เครื่องลูกเครื่งหลงนั่งยกมือนานๆก็ครื่องลูกเครื่งหลงควรจะวักมามือมาวางไว้เฉยๆหายใจสักรอบสองรอบผู้ที่ล้มหายใจ่อยมากระทิกมือเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ให้มันชัดเจนชัดเจนอย่าเครื่องลูกเครื่องหลงมันจะได้นิสัยที่ดีผู้บรรลุธรรมต้องต้องจัดเจนในเรื่องนี้ก่อน ไม่ใช่หมกมุ่นทำเต่พิ่เต่เพิไม่ลู่อะไรมันจะลู่เอยงดอกมันจะลู่เองดอกทั้งๆอยู่ในความหลงก็ปล่อยให้ความหลงมันลูกมันก็ลงไปเรื่อยๆเลยก็เปลี่ยนเลงก็เปลี่ยนชัดเจนจัดเจนเหมือนคนไปฝึกงานก็ต้องตามงานต้องฝึกให้มันจัดเจนลงไปจุดอ่อนจุดแข็งมาอยู่ตรงไหนสร้างบ้านสร้างเรือนควรใส่ใจตรงไหนตรงไหนมันเป็นจุดอ่อน ขอนอาจารยงเสียนกำลังดูแลการก่อสร้างจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนเออถ้าผ่านจุดที่มันอันตรายได้เออพ้นไปแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็พูดให้ฟังคำพูดวันนี้ไม่ใช่จบหลัก ป, ปฏิบัติมันก็อยู่กับเราเราได้ยินได้ฟังเอาไปทําเอาไปทําคําพูดนี่ยเป็นการสัมผสัสไม่ใช่เล่าในฐานไม่ใช่เล่าในยายเป็นเรื่องชีวิตของเราจริงจริงนะ อาก็สมควรเจーเวลา